วิญญาณที่ถูกทอดทิ้งสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วสมัยที่สาเพิ่งลาออกจากงานประจำลาไปเปิดร้านขายเสือ้อผ้าไกลๆกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตึกที่สาเช่าเพื่อเปิดร้านเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นค่อนข้างเก่าดูสุดโสมแต่เพราะค่าเช่าไม่แพงมากนักสาจึงนำเงินจำนวนหนึ่งมาปรับปรุงชั้นล่างให้เป็นร้านขายเสือ้อผ้าขนาดไม่ใหญ่มากนักชั้นบนของตึกทำจากไม้แบ่งเป็นสองห้องซึ่งสาใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นห้องพักส่วนอีกห้องที่อยู่ติดติดกัน เธอก็ปล่อยให้ว่างไว้คิดววอจจเอาไว้ว่าอาจจะไว้เก็บเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ขายซึ่งห้องเล็กนี้ไม่มีหน้าต่างจะมีก็แต่ช่องลมด้านบนที่ทำจากซี่ไม้เรียงกันเป็นช่องเล็กๆเกชื่อมมาที่ห้องของสาเพื่อช่วยระบายอากาศเท่านั้นตัวคานโดยรวมแล้วค่อนข้างเก่าถึงแม้ว่าสาจะปรับปรุงลานด้านล่างให้ดูใหม่ขึ้น แต่ห้องข้างบนก็ยังดูไม่สดใสเท่าไหร่จะเรียกว่าเก่าจนหน้าวังเวงก็ไม่ผิดนักสาได้ว่าจ้างพี่จอยซึ่งเป็นคนแถวนั้นให้มาช่วยขายของในร้านเวลาที่เธอต้องออกไปทำธุระข้างนอกซึ่งคนที่แนะนาให้สามาเช่าตึกนี้ก็คือพี่จอยนี่แหละวันแรกพี่จอยช่วยสาจัดข้าวของในร้านจนเกือบเสร็จ พอตกเย็นแกก็กลับไปห้องเช่าของแกซึ่งอยู่ห่างจากร้านไปประมาณ500เมตรสาเคยชวนพี่จอยให้มาพักห้องเล็กที่อยู่ชั้นบนแต่แกก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าที่อยู่เดิมสะดวกสบายใกล้ร้านอาหารและเดินทางง่ายกว่าหลังจากที่พี่จอยกลับไปแล้วสาวก็ต้องจัดของต่ออีกสักพักแล้วจึงขึ้นไปอาบนา้าเตรียมเข้านอน ขณะที่นอนไปได้ไม่นานสาก็ได้ยินเสียงพื้นไม้ลัน่นเอียดอาดเหมือนมีคนเดินอยู่ที่ห้องเล็กข้างๆแต่เธอก็นอนต่อโดยไม่คิดอะไรรุ่งเชา้าสาตื่นไปใส่บาตรคิดว่าจะทำบุญและทำให้เจ้าที่เจ้าทางในตึกด้วยสักพักพี่จอยเดินมาถึงพอดีก็ทักว่าเจออะไรเมื่อคืนละสิทำบุญก็ดี จะได้อยู่สบายสบายสาวรู้สึกแปลกใจกับคำพูดของพี่จอยจึงถามประวัติของตึกที่เธอเช่าก็ได้รู้ว่าตึกนี้เดิมทีเคยเป็นคลินิกทาแท้งมาก่อนหลังจากนั้นตึกก็ว่างพอมีคนมาเช่าอยู่ก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆในกลางดึกบางก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งไปมาบนชั้นสองหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แล้วพูดว่าค่าหนูทำไมตึกนี้จึงถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครเช่าอยู่มานานหลายปีจนสามาเช่าเพื่อทำร้านนี่แหละเมื่อสาได้ฟังก็เศร้าใจเพราะสงสารเด็กที่พ่อแม่ใจร้ายทำลายได้ลงคอไม่รู้ว่าทีน่นี่จะมีวิญญาณเด็กมากมายแค่ไหนที่ยังวนเวียนอยู่ในตึกนี้ แม้จะกลัวอยู่บ้างแต่สาก็ทำเป็นใจดีสู้เสือเพราะไหนๆก็ลงทุนทำร้านไปแล้วต้องเดินหน้าต่อจนกว่าจะได้รับกําไรกลับมาบ้างแล้วสากับพี่จอยก็ช่วยกันเปิดร้านเพื่อเริ่มขายของช่วงบ่ายของวันนั้นก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาขายของเล่นในร้านแกสะพายกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมพอเปิดออกมา ก็เห็นมีของเล่นชิ้นเล็กๆน่ารักอยู่เต็มกระเป๋าลุงบอกว่าเดินขายมาทั้งวันยังขายไม่ได้เลยสักชิ้นสาเห็นใจคุณลุงมากจึงช่วยซื้อไว้หนึ่งชิ้นเป็นรถของเล่นสีเหลืองขนาดเล็กเท่ากําปันลุงดีใจมากที่ขายของเล่นได้ก็ อ, ออกจากร้านก็ยังอุตส่าห์อวยพรให้สาขายดีเหมือนกัน หลังจากที่ปิดร้านไปแล้วสาก็ขึ้นไปชั้นสองเพื่ออาบน้าแต่ไม่รู้อะไรดนใจให้เธอนึกอยากเอารถของเลนไปวางไว้ในห้องเหล็กเพราะสาวางของเลนแล้วเธอก็ออกไปหาอะไรกินข้างนอกเวลาประมาณสามทุ่มสาก็กลับมาเธอแปลกใจมากที่เห็นรถของเลนวางอยู่ตรงทางเดินชั้นสองเพราะเธอจําได้ว่า เอามันไปวางไว้ในห้องเหล็กและปิดประตูแล้วสาจึงหยิบรถของเล่นกลับเข้าไปวางไว้ในห้องเล็กอีกครั้งแล้วจึงกลับเข้าห้องของตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้านอนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าสาก็สะดุ้งตื่นเพราะเธอได้ยินเสียงครืดครืดดังมาจากห้องเหล็กเหมือนเสียงล้อรถของเล่นไถไปกับพื้น ด้วยความสงสัยสาจึงค่อยๆ ย, ยกเก้าอี้ในห้องอย่างเบามือที่สุดแล้วนำไปวางไว้ใกล้ๆ ก, กับผนังด้านที่ติดกับห้องเล็กจากนั้นก็ปีนขึ้นไปมองผ่านช่องลมที่เป็นซี่ไม้เรียงติดๆกันในห้องเล็กมืดมาเสียงรถของเลนยังดังอยู่เป็นระยะสากลับพิบตาเพื่อมองเห็นในความมืดได้ดีขึนสักพัก ก็เริ่มเห็นเงารางๆอยู่บนพื้นจากมุมที่เธอมองจะเห็นแค่มือเล็กๆกำลังดันรถของเล่นไปมาสาตกใจรีบลงจากเกวีแล้ววิ่งกลับไปที่เตียงดึงผ้าห่มคลุมหัวมิดหัวใจเต้นแรงมือเท้าเย็นเฉียบสาพยายามสวดมนต์ให้จิตใจกลับมาสงบอีกครั้งแล้วเสียงนั้นก็เงียบไป แต่สาก็ยังไม่กล้าที่จะเอาผ้าห่มออกจากตัวจึงนอนคลุมโปงต่อไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นสาก็เปิดร้านตามปกติเธออยากจะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พี่จอยฟังแต่ก็กลัวว่าจะทำให้พี่จอยกลัวแล้วไม่อยากมาทำงานที่ร้านอีกขณะที่นั่งอยู่ในร้านพี่จอยคงสังเกตเห็นว่าสามีท่าทางแปลกๆป คอยมองไปที่บันไดชั้นสองอยู่บ่อยๆพิจอยจึงถามว่าสาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สายังลังเลที่จะเล่าแล้วตอนนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาดูเสื้อผ้าพอดีพิจอยหันไปคุยกับลูกค้าสาจึงเดินไปเข้าห้องน้ำพอเดินกลับมาสาก็เผลอมองไปที่ชั้นสองอีกแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นขาของเด็ก ยืนตรงบันไดชั้นบนสุดแล้วขานั้นก็วิ่งหายขึ้นไปที่ชั้นสองสาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแถมยังตำหนีตัวเองว่าเป็นเพราะเธอพยายามมองหาจนเจอเข้าจนได้พี่จอยเห็นสาหน้าตาตื่นตกใจจึงพาสาไปนั่งหน้าร้านพอสาหายตกใจแล้วเธอจึงยอมเล่าเรื่องเมื่อคืนกับเรื่องขาเด็ก ที่เจอบนบันไดเมื่อสักครู่นี้ให้กับพี่จอยได้รับรู้แต่พี่จอยที่ได้ฟังก็มีท่าทีที่สงบมากแกบอกว่าแกเองก็เลี้ยงกุมารทองอยู่จึงมักจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้อยู่เป็นประจำพี่จอยบอกให้สาทําใจให้สบายในเมื่อเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้เขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เมื่อสาได้ฟังพี่จอยปลอะ ก, ก็สบายใจขึ้นจึงกลับไปทำงานต่อวันนั้นลูกค้าเข้าร้านน้อยมาสานั่งจนเบื่อก็เลยนึกในใจว่าถ้ามีลูกค้าซื้อของภายในครึ่งชั่วโมงนี้ที่จะซื้อของเล่นให้หนึ่งชิ้นไม่นานนักก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้อผ้าในร้านภายในครึ่งชั่วโมงจริงๆวันนั้นสา จึงต้องออกไปซื้อของเล่นแล้วเอาไปวางไว้ในห้องเหล็กตามที่ได้สัญญาไว้ไม่กี่วันหลังจากนั้นสาก็เอาโต๊ะไปไว้ในห้องเหล็กแล้วก็ทดสอบเรียกลูกค้าเพื่อแลกกับของเล่นบางขนมบางทำแบบนี้อีกหลายครั้งจนห้องเหล็กเริ่มมีของเล่นและขนมเยอะเต็มโต๊ะไปหมดบางคืนสาจะได้ยินเสียงของเล่นหรือเสียงเด็กวิ่งบาง แต่สาก็เริ่มชินแล้วจึงนอนหลับได้สาคิดว่าน่าจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่เล่นอยู่ในห้องเล็กพี่จอยเห็นว่าสาไม่กลัวแล้วจึงเชิญกุมารทองไปอยู่ในห้องเล็กเพื่อให้ดูแลน้องๆวันหนึ่งสาตั้งหม้อบนเตาแกส๊สเพื่อทำอาหารเธอตั้งหม้อทิ้งเอาไว้แล้วเดินมาหน้าร้านช่วงนั้นมีลูกค้าเข้าร้านมาพอดี จึงคุยกันอยู่นานสักพักก็ได้ยินเสียงถังพลาสติกตกลงบนพื้นในห้องครัวทำให้สาหนึกขึ้นได้ว่าเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้จึงรีบเข้าไปปิดเมื่อไปถึงก็เห็นว่าน้ำในหม้อแห้งขอดมีกลิ่นเหม็นไหม้และควันเต็มห้องครัวไปหมดเพราะสาก้มลงมองที่พื้นก็ไม่เห็นถังพลาสติกหรือของที่ตกพื้นเลย จึงสงสัยว่าเด็กๆอาจจะส่งสัญญาณบอกให้เธอรีบเข้ามาในห้องครัวก่อนที่ไฟจะไหม้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ถึงแม้ว่าเธอจะเสียหม้อไปหนึ่งใบแต่ก็ดีกว่าเสียไปทั้งร้านวันนั้นสาจึงซื้อของเล่นกับขนมเยอะมาแล้วเอาไปวางไว้ในห้องเล็กเหมือนเดิมสาเปิดร้านอยู่ที่นี่ได้สามปีก็หมดสัญญาเช่า เจ้าของไม่ให้สาต่อสัญญาเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะขายตึกให้ในายทุนที่จะซื้อไปทุบทิง้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ทำให้สาต้องย้ายร้านไปที่อื่นก่อนสาจะย้ายออกสาก็ได้จุดทูบกล่าวลาและขอบคุณเด็กๆที่ช่วยดูแลให้เธออยู่ได้อย่างปกติสุขพี่จอยที่ยังคงอาศัยอยู่แถวนั้นเคยโทรมาบอกสา ว, ว่า วันที่จะทุบตึกมีการทําพิธีเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ในตึกให้ไปสู่สุขติด้วยชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็มามุงดูเต็มถนนไปหมดเมื่อสาได้ฟังก็สบายใจที่เด็กๆจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีถ้าได้เกิดเป็นคนอีกก็ขอให้เด็กๆได้เกิดกับพ่อแม่ที่รักและดูแลอย่างดีอย่าให้ต้องถูกทําร้าย เหมือนกับในชาตินี้อีกเลยสมภัสสยอง